รู้ว่าใครเกินพอดีใครรู้จักพอดีมันจะสกิลมันจะเท่ากันดังนั้นเองการาสาธิตในการเดินเผื่อว่าพวกเราที่จะไปเก็บอารมณ์วันนี้นะก็จะรู้ว่าเราทำถูกหรือทำผิดถ้าทำถูกมันจะรู้สึกผ่อนคลายสบายไม่วุ่นวายไม่ปักไม่หนักไม่เหนื่อยไม่เมื่อยไม่ง่วงไม่เหงามันจะรู้จักปรับตลอดเวลานั่นคือการเก็บอารมณ์ที่ถูกต้อง ถ้าเก็บไปแล้วมันตึงมันเครียดมันเบื่อมันเหงามันเซ็งมันคิดมันปรุงแต่งพุ้งซ่านแสดงว่าในช่วงทำความเขียนเราไม่ได้ปรับความสมดุลภาษาอังกฤษให้ใช้คำว่าดิน read read your mind read your body when some feeling come up you have to read it. it will be a w e r feeling or under feeling เพราะนั้นเราใช้คำว่าอ่านอ่านความรู้สึก ที่กาลังเกิดขึ้นว่าถ้ามันลองไปเก็บกันดูสักวันหนึ่งถ้าหาทำตรงนี้ได้สําเร็จนะแล้วคุณจะมีความสุขในการทําความเพียรนั่นคือความก้าวหน้าของการปฏิบัติแต่ถ้าหากว่าทาไปแล้วมันไม่มีความสุขแสดงว่ามันจะต้องมีขาดความสมดุล น, นะช่วงใดช่วงหนึ่งของการปฏิบัติไม่งั้นเราปฏิบัติทำมันก็เป็นเรื่องทรมานกักขังโดยเองบีบขั้นตัวเองมันไม่ใช่ แต่เราปฏิบัติเพื่อไปสู่ความดับความเย็นความสงบความสบายทำในอะไรที่มันไม่สงบไม่สบายมันตึงมันเครียดมันเกร็งมันก็จะทําให้เร า, เ ร, ารนะเรียกว่าสูดตรงนะเรียกว่าสูดตรงนะสูดตรงในข้างหย่อนก็ทําให้เรารู้สึกเบือ่อเหนื่อยเฉยง่วงเราก็ไม่อยากทำเพราะมันทุก ตึงไปข้างอย่างแต่ถ้ากพอเราทุบโต้างตึงเราก็สึกเหน็ดเหนื่อยตึงแห่งแล้วก็ฟุ้งแล้วงูนิ่งอึดอัดมันก็จะออกมาแบบนั้นเราก็เริ่มมาอ่านเราเอ๊ะเราขาดความสม่ำลื่นก็เดินช้าไปหรือเปล่าเดินเร็วไปหรือเปล่าเดินเร็วไปก็ปรับให้ช้าลงเดินก้าวหน้าหมดเดียวหรือเปล่าเราเดินให้ดังดูสิ นั่งตรงนี้นานไปหรือเปล่าเรองต้องปรับไปอีกนิดมันจะต้องปรับหาความพอดีให้ตลอดเพราะความพอดีแล้วมันมันพอดีแล้วมันจะอยู่เหนือสุขเหนือทุกเพราะฉะนั้นเราต้องปรับที่กายให้เป็นเสีก่อนถ้าปรับที่รูปหรือปรับที่กายไม่เป็นแล้วก็ปรับที่เวทนาก็ไม่เป็นถ้าปรับที่เวทนาไม่เป็นปรับที่จิตก็ไม่เป็นถ้าปรับที่จิตไม่เป็นก็ปรับอารมณ์ก็ไม่เป็นนั่นคือสมุทัยเหต hey. ุให้เกิดทุกข์ ฉันจะาให้ละทางสองทางพึงเดินทางสายกลางทางสมดุลทางพอดีพริยาติท่านตรัสไว้ในธะรรมเทศนา็าเลยแต่ว่าปฏิบัติได้จะว่ายากก็ไม่ยากจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายมันยากตรงที่ว่าเราอยู่กความเคยชินเราอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราก็ไม่ได้อ่านดูว่าเอ๊ะมันสบายหรือไม่สบายอ่าเราปฏิบัติเพื่อจะเอาอะไรเอา พลังเอาครั้งเอาศักดิ์สิทธิ์เอาบุญเอาวิสนาหรือเอาอะไรหรือเอาสบายเอาสงบเอาเยือเย็นเอ า, อาละ ง, งับจากทุกทั้งปวงเป้าหมายนะมีสิ้นทุกใช่ไหมไม่มีทุกอะเป้าหมายแต่ถ้าเราทำตั้งแต่ต้นเท่าไม่เล็งเป้าหมายสุดท้ายใส่กันให้ตรงไม่เล็งให้ตรงเป้าหมายสุดท้ายเราปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกพ้นความนองบากพ้นการเป็นว่ายใจเกิดพ้นการ เราร้อนพ้นความเครียดอะไรพวกนี้เราต้องการให้พ้นจากสิ่งเหล่านั้นแต่ทำไ ป, ปแล้วปรากฏสิ่งเหล่านี้มันเพิ่มมันมันก็ไม่ตรงเป้าหมายที่เราตั้งไว้เ่นนี่คือการอ่านอ่านระหว่างขณะที่เราทำและเป้าหมายที่เราต้องการไปถึงว่ามันแมทกันไหมมันตรงกันไหมถ้าไม่แมทแส ด, ดงมันเฉยเอกข้างใดข้างหนึ่งเลาวขต้องปรับมาจุดศูนย์กลางล้วเฉยเอกไปทางสบายมันก็เป้าหมายอยู่ไปไม่ถึง ถ้าเฉยอาทางไม่สบายเป้าหมายอยู่ทางหนึ่งมันก็ออกไปเรื่อยมันไม่ไปตรงที่เป้าหมายที่ตั้งไว้ซึ่งตรงเนี้ยเราขาดการปรับแล้วก็พระอาจารย์กรรมฐานก็ไม่ไม่เน้นจุดนี้นะเน้นจะให้ทำให้รู้ให้เห็นอะไรไม่รู้ที่มันพิเศษที่มันเหนือมนุษย์มนาไปเนะี่ยจะทาตัวให้พิเศษเรื่อยๆแบบนั้นแต่แต่ไอความปกติธรรมดาซึ่งมันเป็นความ ดับความเย็นความสบายที่ทุกคนต้องการเรากับข่ามันไปดังนั้นการภาวนาการปฏิบัติวิปัสนาจจึงใช้ควาว่าโยนิโสมณสิการคือการเข้าไปดูต้นตอว่ามันเริ่มต้นยังไงมันตั้งอยู่อย่างไรมันดับไปยังไงการเริ่มต้นตั้งอยู่ดับไปเป็นไปเพื่อสงบระงับหรือเป็นไปเพื่อความทุกข์ความกรกระวายความลาบากความเดือดร้อนของกายและใจ เราจะต้องเข้าไปเคลียร์ตรงนั้นให้ได้ตรงนี้เขาใช้คำว่าโยนิโสมณิสิการคือความละเอียดความถีท่วนความแยบคายความการแก้การปรับให้มันสมดุลให้มันพอดีฉังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงพบทางสายเรื่องตรัสเรื่องนี้มาตลอดใน45พรรษาเบื้องต้นท่านบอกว่าผู้ปฏิบัติหรือบรรพชิตพึงละทาง สายการเทเวเมพิกคเวอันตาทางสุดตรงทุกคนพิสุทั้งหลายพึงพึงละทางสุดตรงทั้งสองทางกามะลิขนันนโกโยทุกโขห อ, อนาริโยอนัตถสันหิโตแล้วก็อตตกิมัทานุโยโโทุกโข อ, อนาริโยอนัตถสันหิโตเพรานั้นอ่า ถ้าหากว่าเราปรับตรงนี้ได้ให้เป็นทางไปทางมัชิมาปฏิบัติาอุปสมัยญอภิญญาญาิพานญานสังวตัติว่าถ้าหากวาเราเฉยออกนอกทางไปทางสบายติดสบายเกินไปมันก็นำไปสู่ทุกไม่มีประโยชน์ไม่เปรเิดแล้วเป็นไปเพื่ อ, อไม่สงบเป็นไปเพื่อไม่ความไม่มีความ ลำงับไม่เป็นความรู้แจ้งไม่เป็นไป่ความเยือกเย็นท่านว่าทั้งสองทางนะครับเอ็กซ์ตรีมดังนั้นเวลาเรามาปฏิบัติก็เริ่มจับอาการเหล่านี้แหละเริ่มจับอาการตั้งแต่เรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนแต่ในกรณีบางครั้งเนี่ยถ้าปกติร่างกายปกติเรามาักจะเผลอไปเสกว่ามันเป็นสุข ตรงนี้เองที่มันเป็นเหตุเพราะเรื่องปกติหรือเรื่องทางสายกลางกับความสุขเนี่ยมันคล้ายกันมากแต่คนละเรื่องเพราะความสุขนั้นมันจะเกิดจากที่มันตู่ไปทางทุกมาก่อนแล้วมันตีกลับไปอีกทางแล้วก็บอกว่าสุขแต่ทางสายกลางมันอยู่ตรงกลางมันพร้อมที่จะปรับไปทั้งสองทางถ้ามันสุขเกินไปแล้วก็พร้อมที่จะปรับมา ถ้ามันทุกข์เกินไปพ้อมที่จะปรับมันสุขให้มันพอดีเพราะฉะนั้นตรงทางสายกลางท่านใช้คําว่าพอทนได้สุขก็ทนได้ทุกข์ก็ทนได้ท่านจะไม่ใช้คําว่าสุขทุกข์แต่พอทนได้ซึ่งได้ ก, กล่าวหลายครั้งว่าในสมัยครังพุทธกาลเวลาพราะพุทธเจ้าทักพระสวดีพระทักพระุทธเจ้าสวดีท่านไม่ใช้คําว่าสวัสดีคนสมัยนี้นะสบายดีไหมถ้าไม่ถามนี้ ท่านจะสบาพอทนได้ไหมคำเรียงอวโุโสคุณยุ้ยจังคำเรียงอวโุโสอย่างเงี้ยคุณยุ้ยทนได้ไหมหนูมไม่ได้ทนอะไรเลยนะเราก็ตอบว่าคำเรียงพันเตพอทนได้เจ้าข่าหมายความว่าพอดีอ่ะคือไม่สุขเกินไปไม่ทุกข์เกินไป แว่าปกติหรือเป็นกลางไม่ได้หมายถึงสบายเกินไปนะแต่มันพอสบายเราก็ไม่ใช่คำพออยู่พอกินเป็นไงคือนี่นั่นแบบพอนอนได้ใช่ทานหารอร่อยไหมพอทานได้ใช่ไหนี่คำาำนี้เป็นสำนวนที่เราใช้ประจำแต่เราไม่รู้ที่ไปที่มาครอบครัวไปยังไงก็พออยู่ด้วยกันได้ใช่ไห รักกันมากเหลือเกินวันหนึ่งก็เกิดปัญหาโอ้โหเมื่อก่อนเขาดีมากแต่ทำไมเดี๋ยวนี้เขาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันเริ่มตีกับแล้วแต่และว่าะพออยู่ด้วยกันได้ไหมเพราะว่าพอคุยกันรู้เรื่องพอปรับความเข้าใจกันได้เ <c oughs> พราะชีวิตคือตัวปัญหาต้องอาศัยการปรับตลอดเวลาความเข้าใจวนันนี้อาจจะเข้าใจผู้นี้อาจจะไม่ใช่อย่างเงี้ยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาดัะนั้นการได้ปรับความเข้าใจการทำความเข้าใจมันต้องใช้ตัวอยู่ในสูนมณสิการคือปัญญา เรื่อยๆเพราะนักพุทธศาสนาท่านจึงเน้นเพื่อให้เกิดปัญญาเพราะเพื่อนํามาปรับความสมดุลแต่ปัญญาจะเกิดได้เพราะอาศัยอะไรสติอาศัยความไม่ประมาท <c oughs> จนกระทั่งวาระสุดท้ายนะท่านก็ยังสั่งไว้อีกว่าบัดนี้เราขอเตือนทั้งทั้งหลายว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันเสื่อมมันเกิดมันดับตลอดเวลาท่านทั้งหลายจงเตรียม สติเตรียมปัญญาไว้ตลอดเวลานั่นใช้คำว่าอัปปมาเทนะสัมปาเทนะต้งทําความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมถ้าภาษาของท่านนะแต่ความไม่ประมาทหมายถึงการมีสติปัญญาอยู่เสมอใช่ไหมนั่นคือท่านเขาเรียกเป็นพินัยกรรมชิ้นสุดท้ายที่ท่านสั่งไว้ก็ได้ในคำสอนของท่านทั้งหมดที่ท่านมาสอนว่าแปดหมื่นสี่พันพราหมณ์ขันเนี่ยนะมันหมายถึงต้องต้องมาทําตัวไม่ประมานนี่แหละเป็นเป็นหลักเลยล่ะ นะั่นนิยามของความไม่ประมาทมันเป็นผลนิยามเหตุของมันก็คือการมีสติสมัญญะให้ถึงพร้อมนั่นเองเหตุของมันถ้าขาดสติสมัญญาในความไม่ประมาทมันเป็นไปไม่ได้แล้วขาดสติสมัญญาแล้วเรียกว่าประมาทใช่ไหมประมาทคือขาดสติอันนี้คืออนิยามของมันเพราะประมาทคือขาดสติขาดความรู้เนื้อรู้ตัวขาดความสํานึกขาดควา ม, วามนึก ขาดความระลึกได้ขาดความระมัดระวังอะไรก็ว่าไปแต่มันทั้งหมดทั้งปวงคือสติสัมปชัญญะนั่นเองดังนั้ น, น, นเวลาเราทําความเพียรหรือแม้กระทั่งเราใช้ชีวิตเนี่ยถ้าเราทําความเพียรฝึกฝนความมีสติสัมผัสรู้เนื้อรู้ตัวอ่านตัวเองออกบอกตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็นอยู่เสมอเนี่ยเวลาเราจะไปหยิบน้ําสักแก้วหนึ่งเนี่ยมันก็จะเกิด การมาระวังเกิดขึ้นและใช่หมแล้วก็การยกขึ้นลรวรู้สึกไงหนักใช่ไหมการวางลงเราจะบอกว่าเบาการยกขึ้นรู้สึกสบายหรือไม่สบายหนักไม่สบายจะวางลงเบาสบายในกรณีนี้สายกลางมัอยู่ตรงไหน <c oughs> ถ้าหากว่าเราบอกผู้ของนี่หนักฉันไม่ใช่หนักอื่นไปเนี่ยเราก็ไม่ยอมยกน้ำากิน เราก็ไม่ได้กินน้ำเพราะมันหนักเพราะฉะนั้นเราต้องยอมหนักเพื่อประโยชน์นั้นเพื่อประโยชน์ที่ได้จากการหนักนี่คือได้ดื่มน้าแล้วก็วางการรู้จักใช้หนักและเบาให้เป็นประโยชน์นั่นคือตัวทางสายกลางถ้าหนักเกินไปคุณไม่ก่้าแตะเลยถ้ามันร้อนเกินไปคุณกินไม่ได้คุณก็ไม่ยอมกินนั่นค เ, เรียกว่า ไม่ได้ปรับถ้าทําทางสายการกูต้องการดื่มน้ําด่วนๆในน้ําเนี่ยมันร้อนมากกูจะทําไงคุณก็ทําให้มันพอดื่มได้ทํำไงพอดื่มได้ร้อนเลิไปดื่มได้ไหมทำยังไงทึ่จะพอดื่มได้จะรอให้มันเย็นลงมาแหมมันเหลือเวลาสองนาทีฉันจะรีบไปอะ่ะรอไม่ได้กว่าน้ําจะเย็นห้านาทีหรสิบนาทีใช่ไหมทำไง สมดุลมันก็คือปากน้ำที่ร้อนน้อยหรือเย็นลงไปพอทานได้ก็ทานลักษณะนี้การปรับเย็นเข้าร้อนการปรับร้อนเพื่อให้ทันเหตุตันการซึ่งถ้าเราใช้หลักการอันนี้ให้เป็นนิสัยเป็นประจำวันชีวิตของเราก็จะดีขึ้น <c oughs> เราจะมีความสดชื่นแจ่มใสเข้มแข็งแล้วก็ไม่มีความเร่าร้อนกวนกระวาย เป็นชีวิต ท, ที่พึงปรารถนาใช่ไหมที่เราปฏิบัติเนี่ยเราปฏิบัติเราเสียสละเวลาเงินทองเข้าของเพื่อรักษาพระศาสนาเพื่ออะไรเพื่อเราได้เรียนรู้สิ่งนี้และเราจะทำสินี้ได้แล้วผลบุญที่ได้คือเราปรับชีวิตให้สบายตลอดเวลาได้เป็นแต่ถ้าหากว่าเรานักถือพระศาสนาถ้าสิ่งนี้เราไม่ได้เรียนสิ่งนี้เราไม่ได้ได้อาศัยงคจากรสิ่งนี้จากศาสนา เรานับถศาสนาไปเพื่ออะไรใช่ไหมเพื่อมีศีลมีธรรมเพื่อมีเมตตามีศีลมีธรรมเพื่อมีเมตตาและสิ่งเหล่านี้เราจะมีศีลมีธรรมได้ตลอดทําอย่างไรต้องปรับชีวิตถ้าเราเต็มไปด้วยศีลธรรมเต็มไปด้วยความเมตตาเต็มไปด้วยปัญหาและความทุกข์การรักษาศีลมีความเมตตาการให้ทานเราจะทําได้แบบยั่งยืนไหมก็ไม่ได้ทําในบางเรื่องในบางคน แต่ถ้าสมมติว่าเราจิตใจเราสบายร่างกายเราสบายเราก็เกิดเมตตาอยากจะให้คนอื่นสบายด้วยเราพออยู่พอกินเห็นคนอื่นไม่มีอยู่ไม่มีกินขาดแคลนเราก็อยากให้เขาพออยู่พอกินอย่างเราด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูลการเมตากันก็จะเกิดขึ้นดูเข า, เ, าเกกะสุกปรกไม่มีระเบียบ เราจะไปตำหนิเขาก็ไม่ได้เราจะบอกว่าเราเองดีกว่าแล้วก็ไปตำหนิเขาก็ไม่ถูกละแต่เรามีเมตตาเขาเราจะบอกเขาได้อย่างไรต้องใช้ปัญญาละเพราะฉะนั้นทุกขั้นตอนที่จะให้เกิดศีลเกิดปัญญาต้องเกิดความเมตตาเกิดความรักความสวีต้องใช้ปัญญาหมดเลยนั่นหมายความปัญญาต้องต้องเกิดเทียบตัวเราก่อนและ ที่จะให้เกิดเหตุอย่างนั้นอย่างยั่งยืนทำไงก็ต้องเราได้รับอานิสงส์จากสิ่นั้นก่อนได้รับอานิสงส์จากการเมตตารับอานิสงส์ ก, การมีศีลรับอานิสงส์จากความรักความสมัครีรับอานิสงส์อย่างไรในตัวเราเนี่ยมีความเมตตาตัวเราไหมเราการทําอะไรโหดๆกับตัวเองทําอะไรตัวเองให้ลำบากถือว่าเรามีเมตตากับตัวเองไหมไม่มีใช่ไหมเพราะนั้นเราต้องสร้างที่เมตตาให้กับตัวเองก่อน ได้สร้างความเมตตาที่กับตัวเองก็คือรักตัวเองอย่างถูกต้องคือไม่ให้ทุกข์เกินไปและในขณะเดียวกันก็ไม่เสพสุขมากเกินไปให้พอดีถ้าพูดถึงความพอดีเนี่ยถ้าสุขเกินไปเนี่ยคนจนก็ทําไม่ได้เพราะเขามีรายได้จำกัดพอสูะการมีทรัพย์พระสูขการร่ํารวยเขาก็ทำตามไม่ได้ถ้าทุกข์เกินไปคนรวยก็ทําไม่ได้เพราะคนรวยเพราะอยู่กับสิ่งที่มีความสุข ตัวเองก็เลยอ่อนแอเพราะต่างคนก็ต่างปรับพักกันไม่ได้ก็เกิดช่องว่างดังนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราเข้าใจมันบูรณาการไปหมดเลยในการแก้ปัญหานะในการแก้ปัญหาดังนั้นพุทธศาสนาจะพยายามที่จะให้ทุกคนไ ด, พด้พึ่งตัวเองพึ่งสติปัญญาของตัวเองแต่หลวงพ่อพุทธทาสท่านนั้นบอกว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญาเพราะฉะนั้น ในชุมชนในบุคคลบางคนไม่พร้อมที่จะทําให้เกิดปัญญาได้เขาก็จําเป็นต้องมีาศาสนาอื่นให้นับถือเพราะนั้นพุทธศาสนาจะเป็นที่ยอมรับของคนทุกคนไม่ได้เพราะคนบางคนไม่ยอมที่จะปรับตัวเองหรือปรับตัวเองไม่เป็นเขาเป็นอย่างนี้ขนเขาคือเขาต้องอย่างเนี้อย่างอื่นจะดีขนาดไหนเขาไม่เอาคนในโลกอย่างนี้ก็มีเหมือนกันใช่ไหมโดยเจอคนบางคนประเภทนี้เขาก็ต้องมีาศาสนาอีกแบบหนึ่งเขาก็จะรับพุทธศาสนาไม่ได้ ตรงนี้เองพพระพุทธเราจําเป็นต้องมีหลายศาสนาเพื่อดับปรับตามจริตนิสัยและวิบากกรรมของคนถ้าหากว่าพุทธศาสนาไม่พอคนพร้อมระดับนี้แล้วเนี่ยก็จะดับพุทธศาสนาได้แต่คนยังไม่พร้อมเขาก็ต้องสมทานในศาสนาอื่นไปนะเมื่อผู้นําทางศาสนาเข้าใจอย่างนี้ปั๊บก็จะมีการอเฉลี่ยเจียจารย์ระดับบุคคลใส่กัน ความรักความสามาคัคคีในระหว่างศาสนาก็เกิดขึ้นศาสนาก็จะไม่มุ่งร้ายทำลายกันแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นนะความเป็นจริงดังนั้นในภาคปฏิบัติในภาคปฏิบัติตไม่ว่าเดินจงกลุมนั่งสร้างจังหวัดมันก็จะมีความไม่สบายให้เห็นเพราะร่างกายและจิตร่างกายนี้เป็นที่ตั้งของทุก ขังง า, า, านนิจังหน้าตาเพราะฉะนั้นจะให้มันสบายตลอดก็ไม่ได้นะจะให้มันสุขตลอดก็ไม่จะให้มันทุกตลอดมันก็สลับไปสลับมาแต่ถ้าเราไม่มีความแยบคายเรารู้สึกไม่สบายเราก็จะไปแสวงหาความสบาย <c oughs> <c oughs> นะโอ้เดินตรงคุมสร้างยังหวะตรงนี้มันเหนื่อยมันเมื่อยนะก็เปิดห่อไป เดินทางอื่นไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันรู้สึกอยากจะทิ้งความรู้สึกเหล่านั้นเสียอึดอัดอยู่ในห้องนานฉันเปิดห้องไปฉันไปเล่นไปคุยไปทําอะไรก็ได้ให้มันสบายสักพักเข้ามาทําใหม่เพราะว่าทำใหม่ก็อีหอบเดิมหละมันหนักมันเหนื่อยมันเมื่อยมันเพลียมันขี้เกียจเราก็ออกไปหามันก็จะวนอยู่อย่างนี้มันไม่แก้ปัญหาแต่ถ้าถ้าขณะที่ เราสมมุติเราทําไปเดินโยกไม่ดีสร้างจังหวะก็นีตัวปัญหามันเกิดแล้วอ่ะเราอยู่บ้านเราไม่เคยนั่งนานขนาดนี้เราดูบ้านเราก็ไม่ได้นั่งมายกมืออย่างนี้ตลอดมันผิดปกติจากชีวิตเราเนี่ยมันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่ทําให้รู้สึกไม่สบายเหมือนดูฝืนความรู้สึกที่ดีๆของเราเฮ่ทำไมเราฝืนทําไมเรานั่งนานๆมันปวดทำไมเรานั่งทําไมมันจะเริ่มคิดหละใช่ไหม เรื่องคิดเราก็ได้รับคําอธิบายมาว่าชีวิตนี้เป็นที่ตั้งของอนิจจังทุกขังอนัตตามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถ้าหามันเปลี่ยนแปลงเองมันไปสู่ความไม่เป็นประโยชน์มันใช้ไม่ได้เรียกว่าอนัตตาแต่พระพุทธเจ้าได้ค้นพบว่าถ้าเราเข้าไปเปลี่ยนแปลงมันอย่างเหมาะสมมันจะใช้ได้มันจะเกิดปัญญา ตนี้หลักของอานิจังทุกขังอนัตตามันมีทางออกแหละ้าออกตรงว่าได้สติเอ๊ะใ น, นเมื่อมันเป็นอานิจังทุกขังอนัตตามันจะทําให้ไม่เป็นอนิจังทุกขังอนัตตาไม่ได้หรือเพราะท่านตั้งประเด็นไว้ว่าเมื่อมีมืดต้องมีสว่างแก้ใช่ไหมเมื่อมีร้อนต้องมีเย็นแก้เมื่อมีทุกต้องมีไม่ทุกมาแก้ท่านเริ่มที่ท่านเริ่มได้ประเด็นตรงนี้นะ แต่เมื่อมีอนิจจังมันก็ต้องมีนิจจังมาแก้เมื่อมีทุกขังมันก็ต้องมไม่ทุกข์มาแก้เมื่อมีอนัตตามันก็ต้องมีตัวธรรมะมาแกแเราจะแก้อย่างไรนี่ถท่นี้ที่ที่พระพุทธเจ้าองค์อุปองค์ค้นพบก่อนหน้าท่านจะตัสรู้ไม่มีใครคิดอย่างนี้เลยเลยเนะยไม่มีไม่มีใครมีแต่จะหาทางว่ามันทุกข์ก็ต้องหาความสุขเมื่อมันเป็นอนิจจังก็ต้องทาให้มันเป็นนิจจัง เมื่อไม่เป็นอนัตตก็ทําให้เป็นอัตตาขึ้นมาอแต่มันก็ไปค้านกับกฎความเป็นจริงใช่ไหมค้านกับกฎธรรมชาติอะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงมันเป็นนิจจังจะให้มันเป็นนิจจังได้ไหมไม่ได้เพราะมันไปฝืนกฎธรรมชาติหายใจเข้าไม่ ห, หายใจออกได้ไมหมหายใจออกไม่หายใจเข้าเลือดลมมันเดินมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ให้มันเดินได้ไหมไม่ได้นี่นไปฝืนกฎธรรมชาติล่ว นั้นก็ต้องหาว่าเออเราไม่ถึงกับก้องกับว่าต้องเป็นนิจังหยุดหมดไม่ใช่แต่ปรับตัวอนิจจ์เนี่ยให้ไปในทางที่เราต้องการแต่ถ้าอนิจจ์ถ้าปล่อยมันไปตามเรื่องเขามาันมันไปในทางที่เราไม่ต้องการเช่นฝนตกลงมาน้ำไหลลงที่ตำ่ำน้ำไหลลงที่ตำเป็นยังไงยุมสักติ น้ำฝนตกลงมาน้ำไหลลงที่ต่ามันเป็นยังไงมันก็จะขุนใช่ไหมมันก็จ ะ, จะไปชะเอาสิ่งสกกโสโปรทั้งหลายทั้งปวงถ้าฝนตกลงมาเราต้องการให้น้ํามันใสเหมือนที่มันตกมันเดิมไม่ขุนไม่ไหลไปที่อื่นเราจะทํำยังไงต้องหาภาชนะเลยใช่ไหม นั่นเรเป็นผู้จัดการใช่ไหมถ้ามันตกทั้งปีทั้งชาติเราไม่จัดการตรงนั้นเราจะได้น้ําใสไปทานไหมน้ําที่มีไว้มันก็ไม่มีละเพราะมันไหลไปทางอื่นหมดน้ําที่มันตกมาใสสะอาดเนี่ยมันก็ไม่ใสแล้วมันเปื้อนหมดมันนี่เขาเรียกปล่อยให้มันเป็นตามกดของมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะใช้ไม่ได้แต่เมื่อเราได้สติว่าโอ้น้ํานี่มันตกมามันสะอาดมันใสมากเลยจะทํำไงให้มันใสเหมือนเดิม มันเริ่มมีการจัดการได้ใช่ไหมก็คือไปหาภาชนะมาโอ้น้ําตกในห้วยในห้องในลอใน่องในอเขาเนี่ยมันปล่อยลงทะเลทั้งปีทั้งชาติพอหน้าแล้งมาไม่มีน้ําดื่มน้ํากินก็ปล่อยไปอย่างนั้นน้าที่มันฝนตกทั้งปีเนี่ยมันไปเป็นประโยชน์ไหมไม่เป็นเมื่อมนุษย์มีการเรียนรู้เกิดขึ้นต้องการที่จะไม่ให้น้ํานำไหลลงทะเลทําไงเห็นไหม วิชาการเกิดขึ้นแล้วทฤษฎีในการสร้างเขื่อนในการสร้างอ่างเก็บน้ําในการหุดอ่างขึ้นมาเพื่อเก็บน้ําทฤษฎีนี้เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมแล้วก็เกิดการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่สร้างอ่างน้ําสร้างฝายเก็บกักเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยมันต้องมีการจัดการเกิดขึ้นใช่ไหมนั้นในระดับนั้นเหมือนกันเรานั่งเนี่ยตลอดเวลาเนี่ยเราจะให้มันสบายขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันได้ไหม ตามหลธรรมชาติไม่ไ ด, ไมได้มันก็จะต้องไหลลงอ่ะใช่ไหมก็คือหนักขึ้นหนักลงมันไหลลงแล้วทีนี้จะทําให้มันไหลขึ้นทําไงจัดการมันถ้าอยากให้มันสบายพอทนได้นะไม่ใช่สบายตลอดนะพอทนได้เราจะมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นแต่การเคลื่อนไหวมีสองอย่างหนึ่งการเคลื่อนไหวจัดการเอาทุกออกจากกายทุกคนทําได้ใช่ไหม ก็คือเวลาไม่สบายตรงนี้ฉันก็อ่ะพิคเท่านั้นเองทุกคนทำได้อย่าว่าแต่คนเคยเห็นสุนัขมันนอนไปที่นานๆไหมมันก็นอนไม่นานมันก็ทุกข์เหมือนกันมันก็ลุกหนีอย่าเวลามันหิวมันก็ไปหากินนี่โดยสัญชาติยานไม่ว่าคนหรือสัตว์ทำได้หมดในการที่จะทำให้อัตติรอดแต่ว่าแต่ว่า การที่เราจะจัดการกับสิ่งที่มันตกลงมาเวทนาเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนฝนใี้มันตกเมื่อตกมาแล้วมันก็จะทำให้จิตเป็นตัวรองรับเนี่ยวิญญาณตัวรองรับมันก็จะไหลออกมาเป็นอะไรเป็นความคิดใช่ไหมตามสัจยานความคิดที่มันไหลออกมาจากจิตของเรามันจะมีอยู่สีลักษณะหนึ่งเพื่อเอาตัวรอดทางกายต้อง ดูแลร่างกายนี้ด้วยการหาอาหารใส่ปากใส่ท้องใช่ไหมที่สัญญาณของสัตว์ทั้งหมดเลยสองต้องการเครื่องนุ่งหง่มต้องการที่อยู่อาศัยต้องการที่อยู่อาศัยสามเมื่อมีภัยเกิดขึ้นเป็นไงต้องหนีต้องการความปลอดภัยใช่ไหมสี เมื่อทุกสัมพันธ์ัตทุกตัวเนี่ยรักตัวกลัวตายรักตัวกลัวตายอะทีนี้ต้องการที่จะดํารงความอเป็นตัวตนเนี่ยเขาสําคัญว่าเราเขาเป็นตัวตนต้องการดํารงความตัวตนนี้ให้อยู่ได้ตลอดไปเขาก็ต้องการสืบเผ่าพันธุ์ เนี่ยสัญชาตญาณทั้งสี่มันจะมีเสมือนกันหมดเลยแม้แต่อยู่มันก็ยังสืบเผาพันธุ์ทั้งมันใช่ไหมแม้แต่ลิ้นแต่ละายมันก็ยังสืบเผาเยาว่าแต่มนุษย์เลยอันนี้เป็นสัญชาติเพราะนั้นเวลาความคิดมันไปลงพระที่จิตแล้วมันจะคิดแค่สีเรื่องนี้เขาเรียกว่าโดยสัญชาตญาณโดยสัญชาตญาณเนเมื่อพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้มาพบว่าโอสัมภัสตทั้งหลายถ้ามันอยู่โดยสัญชาตญาณไหนี้มันก็จะต้องไม่เคยจบสิ้น่ะทุกข์อ่ะ เมื่อเกิดเชงเวียนไหวใจเกิดอยู่ย น, นี้ตลอดเป็นอมตะไปเลยอแต่มนุษย์มีสติปัญญามีสมองมีอะไรที่สูงกว่าสัมภัสสทั้งหลายเราจะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์อันนี้ตลอดไปอย่างนั้นหรือก็มีการคิดย้อนทวนสอนเกิดขึ้นเราจะไม่อยู่ภายใต้กฎอันนี้ได้ไหมจะไม่อยู่ภายใต้กฎของอนนี้จังทุกขังหน้าตาทั้งหมดได้ไหมเราอยู่เพียงครึ่งเดียวได้ไหม เริ่มคิดหละถ้ามันดีดไปอีกทางหนึ่งคือเมื่อมันเป็นทุกข์ก็ทำให้เป็นสุขพอหมดสุขมันก็ดีดมาทุกข์พอหมดทุกข์ก็ดีดไปสุขอันนี้ก็ยังเป็นสัญชาติถ้านั่นนี้นานไม่สบายมันก็ลูกขึ้นใช่ไก็รู้สึกสุขยืนอย่างนี้นานไปไงมันก็ทุกข์ขึ้นอีกอก็เดินตลอดเวลาเราก็ดิ้นรนเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดสังสัญชาติยาน เอแล้วมันไม่จบมันแกนทำไงพระริจ้าท่านก็นคนพบว่าอ๋อทุกที่ตั้งของมันเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างคือกายกับใจรูปกับนามอ่าสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีแค่สองอย่างนีคือกายกับใจรูปกับนามเมื่อ ความไม่สบายเกิดขึ้นมันตั้งอยู่ที่กายที่ใจแต่ที่เราบำบัดเนี่ยเราจะบำบัดออกทางไม่สบายที่อยากพิสุดคือทางกายแต่ผู้ที่ทนไม่ได้ต่อความทุกข์อันนี้ใครเป็นผู้ทนไม่ได้กายทนไม่ได้หรือใจทนไม่ได้ใจมันทนไม่ได้เพราะนั้นเราไปบำบัดที่กายอย่างเดียวไม่ได้แน่ต้องบาบัดที่จิต ด, ด้วยใช่ัหมเพราะตน้ตนตอที่จะทาให ไหลไปตามมาันมันอยู่ที่จิตไม่อยู่ที่กายกายเป็นเพียงวัตถุชนิดหนึ่งเท่านั้นเองดัง น, นั้นท่านก็เริ่มเห็นว่าอ๋อจะลุกอย่างเดียวพื้นให้มันหายอปวดอย่างเดียวไม่พอต้องรู้ด้วยว่าไอ้ความปวดมันหายไปได้อย่างไรและความปวดมาจากที่ไหนความไม่สบายกายเนี่ยเอาออกได้อย่างไรและความไม่สบายกายที่ทําให้กายนี้ต้องบำบัดตัวเองใครเป็นผู้สัง่งท่านเริ่มย้อนสอนละ เป็นผู้สัง่งอ๋อมีใจแล้วใจนี่มันกับกายมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรเริ่มเห็นนะนี่นี่จากการย้อนสองพุรองค์นะถึงได้รู้อ๋อกายที่เรารู้ได้เพราะมันมีเวทนามีนามเพราะมันมีสัญญามีความจำได้ว่าเอออันเนี้ยมันปวดนะมีสังขารแล้วก็คิดหาวิธีว่าจะไม่ปวดคนนี้ได้อย่างไร แล้ววิญญาณก็พยายามที่จะรับรู้ในผลที่เกิดขึ้นเป็นสุกตามทุกตามแต่คนวนใหญ่ต้องการรับผลที่มันสบายเพราะมันทุนได้ง่ายกว่าเ <c oughs> มื่อเป็นอย่างนี้เราก็ปรับจุดนี้ใหม่นะเมื่อความไม่สบายเกิดขึ้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็ปรับออกไปโดยที่ไม่เห็นว่าขบวนการคือความหนักมันหายไปได้อย่างไรไม่เห็นลักษณะนี้ ความทุกข์ออกแต่กายอย่างเดียวแต่ไม่ได้ออกจากใจทีนี้มันออกด้ยทั้งกายทั้งใจทำไงก็เริ่มกลับเข้ามาดูโอ้ก็นําพิจารณาก่อนหน้านั้นใช้วิธีของลูษีไม่สามารถจะรู้เรื่องนี้ได้ท่านก็เลิกวิธีของลูษีทั้งหมดแล้วกลับย้อนสอนมาดูท่านใช้ว่าทวนกระแสใช่ไหมท่านก็เห็นว่าเรื่องทวนกระแสเป็นเรื่องสาคัญ พระฉพุทธบวับท ต, ตอนหนึ่งที่ต้องการสะท้อนให้เห็นว่าทุนกระแสเป็นเรื่องสำคัญเกิดขึ้นตอนไหนรู้ไหมคุณวิชัยตอนไหนที่พระพุทธเจ้าทุนกระแสใช่ไหมพุทธบวรตอนนั้นตอนหนึ่งอธิษฐานว่าเอาถาดไปลอยน้ําถ้าข้าพเจ้าจะเข้าใจเรื่องนี้ได้แก้ไขเรื่องนี้ได้จริ ง, รงมันจะไม่มีทุก์ได้จริงๆเนี่ย ทำยังไงขอให้ขาพเจ้าเข้าใจขใ้าพเจ้าเห็นอาการเห็นวิธีการแต่ถ้ามันเป็นไปนไม่ได้ละจะพยายามขไไนาดว่าไม่สามารถจะทำเป็นและก็ไม่สามารถจะรู้วิธีการนี้ได้ด้วยขอให้ถ่านใบนี้ต่างไปแล้วก็ว่างลงไปใช่ไมปรากฏ ว, ว่าถ่านใบ น, นี้เป็นไง <c oughs> ก็ทวนทุนๆกระแสน้ำขึ้นไปอ๋อแสดงว่ามีทางออกเรื่องนี้เป็นไปได้อ่า เอมันฝืนความจริงหรือเปล่าเวลาถาดไปวางแล้วมันไห ล, าลตามน้ำเนี่ยใช่ไหมอันนี้เป็นปิศณธรรมไม่ได้เป็นความจริงนะเป็นปิศนาธรรมว่าอ๋อทุกอย่างมันจัดการได้มันมีมืดก็ต้องมีสว่างมันมีร้อนก็ต้องมีเย็นมันมีไม่รู้ก็ต้องมีรู้มันมีโง่ก็ต้องมีไม่โง่ท่านก็คิดอย่างเงี้ยในที่สุดอ๋อมันมีทางแก้ นะมันมีทางแก้ก็ตามมาดูอาการของจิตจิตนี้เปลี่ยนเป็นความรู้สึกได้อย่างไรอาศัยกายอาการว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงเนี่ยจิตไปรับรู้สมมุตินี่ได้อย่างไรก็ตามไปดูอาการของเวทนาเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงเนี่ยมันเป็นอาการของกายหรือเป็นอาการของจิตกันแน่สมมุติว่านั่งเนี่ยทุกคนหนักกระโพาะใช่ไหม ดูซิว่าอาการหนักเระพกเป็นอาการของการอาการของฉิตอ่าหู้ตายคนตายเนี่ยเขารู้สึกหนักอย่างเราไหมอ้าวเขาก็มีกายทำไมไม่รู้สึกเออท้าไม่ทำงานอ้าวทำไมไม่ทำงานท่าจีก็ยังอยู่เหมือนเดิมดินน้ำดวมไฟ ใช่ไหมถาม้ามันไม่ทํามาแสดงว่าสมนั้นจะไม่เน่าเวทนาไม่มีอ่าเวทนาเวทนาไม่มีใช่ไหมเวทนานี้เป็นกายหรือเป็นจิต เ, นนเวทนาเป็นนามนะเพราะมีเวทนาเวทนานี้เกิดจากกายวิญญาณคือเรว่ากายภาษาธรรม กายแวิญญาณทำงานโดยอาศัยระบบประสาทและกายแยประสาทฮะและระบบประสาทนี้ทํางานเพราะอาศัยกันทํางานของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟรับรู้โดยการทํางานของธาตุสีได้ธาตุรู้ของกายเรียกว่าเวทนาอที่เวทนาเนี่ยพวกสิ่งสาระศาสตร์มันก็มีใช่ไหมมันก็มีธาตุรู้อย่างเรามันก็อย่างเวลามัน ทุกมันก็หาทางออกมาเหมือนกันมันก็มีธาตุรู้เหมือนกันแต่ทำไมธาตุรู้นี่มันจึงความเป็นสัตว์มันจึงเปลี่ยนมาเป็นแบบคนไม่ได้สลาดสัตว์จริงฉลาดอย่างคนไม่ได้เพราะอะไรเพราะธาตุรู้ไม่สมบูรณ์ต่างเปอร์เซ็นนะนะแต่มนุษย์มีธาตุรู้ที่สมบูรณ์นั้นก็คือมันมีสัญญาด้วยว่าเอออย่างนี้ขาสมมติว่า มันหนักนะอย่างนี้สมมติว่ามันเบานะอย่างนี้สมมติว่ามันสบายนะอย่างนี้สมมติว่ามันพอดีนะมีสัญญาแล้วก็ปรับตัวอาการทุกเหล่านี้เป็นด้วยเป็นสังขารและรู้จักวิธีปรับให้ได้ตลอเวลาเป็นวิญญาณอ๋อตรงนี้เองตรงนี้ตัวเวทนาสัญญาสังขารซึ่งเป็นนามดิบๆเป็นนามที่ติดอยู่กับรูป เมื่อมีการค่อยควรมีการพิจารณาตามตักของตัวรู้ที่สูงกว่าสัมสัว์คือมนุษย์เนี่ยเลยเห็นว่าอ๋อตัวนี้ที่มันเป็นไปตามสรรชาติยานเพราะไม่รู้จักฝืนมันมันเปลี่ยนได้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมันเปลี่ยนแปลงในทางลงได้ก็ต้องเปลี่ยนแปลงในทางขึ้นได้เมื่อมันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปทางไม่ดีได้ก็ต้องเปลี่ยนไปในทางดีได้ ก็มีการนี่มนุษย์คนแรกที่ค้นพบคือคนที่บรรลุถึงพุทธะทั้งหลายไม่ใช่เจ้าชายจิตาคนเดียวนะพุทธะมีมาต่อกันมาเรื่อหยหลายร้อยหลายพันองค์แหละ <c oughs> เสร็จแล้วเราก็าเอาตัวรู้ย้อนสอนมาพัฒนาพัฒนาให้มันถ้ามันหนักมันปกติหรือผิดปกติถ้ารู้นั่งเนี่ยมันหนักรู้สึกหนักมันปกติหรือผิดปกติผิดปกติ ทำให้มันไม่หนักได้ไหมก็คือปรับใช่ไหมการรู้จักเข้าไปปรับตรงนี้ให้เป็นปกติจึงเรียกว่าศีลศีลว่าแปลว่าปกตินี่นี่ตรงการเข้าไปปรับเราจึงสมมุติคำคำนี้ว่าทำให้ปกติคือมันไม่หนักพอความไม่หนักหายไปความปกติเกิดขึ้นอันนี้คือความปกติแต่ว่าคนบางคนไม่ได้บาบัดอย่างน ลุกไปก็พลิกลุกไปเลยนะรือสึงหนักก็ลุกไปเลยแต่ไม่เห็นกระบวนการว่ามันหนักเกิดขึ้นอย่างไรหนักตั้งอยู่หนั ก, นกมันหายไปได้ไม่เห็นกระบวนการ น, นั้นตัวนี้เราเรียกว่าศีลโดยปกติโดยสัญชตาตญาณปกติมีสองปกติปกติที่เกิดขึ้นปรับโดยสัญชตาตญาณคือใช้ความเคยชินชันใช้คำว่าอาวิชชา ทีนเราปรับโดยรู้เนื้อรู้ตัวเห็นการเกิดขึ้นการตั้งอยู่การดับไปของความทุกข์หรือความหนักความเบาอันนั้นเข้าไปเห็นเข้าไปรู้ขบวนการทั้งหมดท่านจึงเลือกอ น, นี้ว่าเป็นวิชาและวิชาตอนนี้เราสมมุติว่าสติสัมปชัญญะในเวลาต่อมาใช่ไหมตัวนี้เองจึงเป็นกุญแจดอกแรกที่ได้คนพบความจริงของพระพุทธเจ้าคือได้สติเข้าไปไปตามรู้อาการเหล่านี้ ดังนั้นตัวทุกอันเนี่ยมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นปกติของรูปแต่เป็นปกติของนามด้วยไหมตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาที่มันจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นปกติของมันของรูปถามว่ามันเป็นปกติของนามด้วยไหมโอ้ไม่ได้ฟังหลวงพ่อเลยอ่ะไ <laughs> ม่ชัดหลวงพ่อถามว่า ความเปลี่ยนแปลงก็ดีความเป็นทุกข์ผิดปกติก็ดีความแตกย่อยสลายดับไปก็เนี่ยมันเป็นปกติของรูปหรือของนามไอคนนี้มันโกรธเป็นปกติเลยนะไอตัวนี้มันเบื่อเป็นปกติไอ น, นี้มันโมโหเป็นปกติเป็นปกติของมันนะไอคนนี้ยเวลามันพูด ม, มันเป็นอย่างเงี้ยเป็นปกติของมัน เออตรงนี้แหละคุณจะมองข้ามไม่ได้บางครั้งไอ้ความปกติคืออ น, นิจจังทุกขงังมันเข้าสู่จิต ด, ด้วยขาดสันขาดวิชาได้ลืมตัวดอของมันเพราะมันเป็นถ้าอาวิชชาเนี่ยร่างกายเนี่ยมันไม่ได้เป็นวิชาหรืออวิชชานะร่างกายคือธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นแต่ผู้ที่ว่ารู้หรือไม่รู้เนี่ยเป็นเรื่องของนามละไม่ใช่เรื่องของกายละใช่ไหมแต่ถ้า เราไม่รู้ขบวนการตรงนั้นเราเรียกว่านามเป็นอวิชาเขาเรียกว่านามมารูปใช่ไหมอ่าเพราะสําคัญว่าอ น, นิจจังทุกขังหน้าตาเป็นรูปและเป็นเราเรียกว่านามมารูปเนี่ยตนั้นเวลาความผิดปกติหรือความปกติที่มาอยู่ในกายเข้าสู่นามมันจะมีชื่อหมาว่านามมารูปแต่ถ้ามันอยู่กับกายเรียกว่ารูปนาม แต่พะเข้าสูจิตเรียกว่านา ม, มารูปแต่รูปนามเนี่ยเราบำบัดได้แม้โดยสัญชตาตญาณใช่ไหมที่จะให้ความปวดเมื่อหายไปแต่เมื่อรูปของอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าสูจิตด้วยโดยที่ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างไรเราจึงเรียกวิชาที่เกิดในจิตว่านา ม, มารูปเพราะฉะนั้นคนก็ยังโกรธยังเกลียดยังเคียดยังขุนเป็นไม่สบายหงุดหงิดเป็นเพราะนั้นคือเป็น นามารูปเมื่อเราเข้าไปรู้ขบวนการตัวรู้ตัวเนี้ที่มันไม่ใช่เป็นโกรธเป็นเกลียดเป็นเครียดเป็นคุนมันไม่ความสุ่ความทุกข์มันเป็นตัวรู้เฉยๆแต่ทำหน้าที่รู้ขบวนการทั้งหมดตัวนี้มันก็จะเหลือนามล้วนๆเพราะนั้นสติสมาธิปัญญา จ, จึงเป็นนามล้ว น, วนจึงไม่ใช่นามารูปเพราะมันทาหน้าที่ เป็นผู้รู้ล้วนๆ น, นี้เรียกว่านามนามตัวนี้เรามาสมมติว่าทำที่เป็นฝ่ายรู้ที่เป็นกุศลอ่าเราก็จะมาเจริญนามคือตัวรู้ตัวนี้ให้มาขึ้นเพราะอะไรเพราะถ้ามันน้อยเนี่ยมันจะตามเข้าไปแก้ปัญหาที่เกิดจากรูปนามและนามรูปไม่ได้เพราะตัวนั้มนมาทำงานตอลอดเวลาใช่ไหม ทุกที่อนิจจังทุกขังอนัตตาที่เกิดจากรูปถ้าเราไม่มีองค์ของความรู้ทุกขังอนิจจานัตาก็มาเกิดกับนามด้วยถ้าอนิจจังทุกขังอนัตามาเกิดกับนามนี้ตัวอนิจจังก็เปลี่ยนเป็นความพอใจตัวทุกขังก็เปลี่ยนมาเป็นความไม่พอใจตัวอนัตตาก็เปลี่ยนเป็นความไม่รู้ใจเออมันมีสามอย่างนะ พอใจไม่พอใจแล้วก็ไม่รู้ใจตัวเองเราเรียกอนัตตาบังคับบัญชาใจไม่ได้เพราะมันไม่รู้นะมันเปลี่ยนไปอย่างนั้นทีนี้ถ้าขบวนการรู้นามลักษณะที่ว่ารูปมันเข้าไปสู่นามลักษณะไหนแล้วคอยแยกออกว่าเอออาการของรูปเป็นความไม่สบาย ควาสบายไม่สบายเป็นอาการความไม่รู้เนี่ยเป็นเป็นอาการของที่เกิดกับรูปนะแล้วสกัดออกไปให้รู้เฉยเฉยโดยที่ไม่ต้องไปเป็นพอใจไม่พอใจกับสิ่งที่มันปรากฏในจิตแต่เข้าไปรู้อาการนั้นเฉยเฉยนั่นแสดงว่าแยกอะไรออกกันแยกรูปแระยกนามเพราะแยกความรู้สึกชอบในอนิจจังออกไปรู้สึกไม่ชอบในทุกขังออกไปแล้วรู้ขบวนการนั้นด้วยรู้ใจด้วยเป็น ปัญญาขึ้นมาอันนี้จังทุกขงังแทนที่จะเป็นอนัตตาเป็นปัญญาเพราะขบวนการตรงนี้เข้าไปก็เลยกลายเป็นตัวรู้รู้ล้วนเราสมมติว่าเป็นปัญญาเพราะนั้นอันนี้จังทำให้ปกติได้เป็นศีลทุกขังทำให้เราตั้งใจที่จะปรับจะแก้เป็นสมาธิดูอนัตตาเพราะรู้ว่าขบวนการทั้งหมดเป็น ปัญญาเพราะนั้นศีลเสืิปัญญาก็จึงเป็นชื่อของนามในฝ่ายที่ประกอบด้วยวิชาแต่ถ้าเราปล่อยอ น, นิจจังทุกขังนั้นตาฝ่ายรูปไหลเข้าสู่จิตโดยจัดการไม่ได้ก็เปลี่ยนเป็นพอใจไม่พอเป็นสุขกิไา่ทุกข์ก็ไม่ อ, อเปกขาวเวทนาไม่ได้เปลี่ยนเป็นศีลเสื่อปัญญาเพราะนั้นตัวรู้เท่าทันตรงนี้เองจึงเราต้องมาสร้างขึ้นมาให้มากที่สุด เพื่อที่จะไปเปลี่ยนกฎของไตรลักษณ์ให้กลับมาเป็นกฎของไตรสิขาคือศีลชนปัญญาง่ายหรือยาก <c oughs> ไม่ง่ายไม่ยากอยู่ที่มีศรัทธาที่จะทำไหมมีความเพียรที่จะพิสูจน์ไหมอยู่ตรงนั้นถ้าคนไม่มีศรัทธาในาศาสนาะนจะทำได้ไหม ไม่ได้เมื่อ ม, มีสถานในศาสนาความเพียรพยายามที่จะทําเรื่องนี้ได้ไหมไม่ได้ตรงนี้ถึงบอกว่าบางคนรับพุทธศาสนาไม่ได้เพราะเขาไม่มีในไม่มีสถานในพระศาสนาแต่บางคนมีสถานในพุทธศาสนาเหมือนกันแต่ว่าศรัทธาไปทางด้านอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งที่เรียกว่าเป็นมิจฉาศรัทธาหรือมิจฉาทิฐิพระเจ้าจึง มุ่งประเด็นเดียวคนที่เข้าใจเรื่องนี้ไม่ได้มีประเภทเดียวประเภทที่เป็นมิจฉาทิฐิเท่านั้นประเภทที่เป็นสัมมาทิฐิอย่างไรก็ต้องรู้ท่านว่าเพราะฉะนั้นเราก็จึงมาปรับที่ทิฐิก่อนอันดับแรกในมัชฌิมโอเปตท่านจึงเริ่มด้วยอะไรสัมมาทิฐิเลยใช่ไหยนี่ที่ไปที่มาต้องมาปรับความคิดเห็นตรงนั้นให้ถูกต้องทีเดียวถ้าปรับความคิดเห็นตรงนั้นถูกต้องเรื่องอื่นมันไปได้หมดเลย เพราะนั้นตัวมิจฉาทิฐิเป็นสิ่งที่ร้ายแรงที่สุดในคําสอนของพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าจะด่าใครเจ้คนหนึ่งถ้านใช้คาว่ามิจฉาทิฏฐิถือว่าเป็นการด่าที่ร้ายแรงมากนะหมายความว่ามันมันไม่มีอะไรดีเลยในชีวิตนั้นนักกลัมไหมเพราะนั้นไปปรับความคิดเห็นเป็นเบื้องต้นทีนี้ไอ้ตัวคําว่าสัมมาทิฐิกับมิจฉาทิฐิเนี่ยมันความสําคัญอย่างไร ถึงพระทธเจ้าให้ความสําคัญแล้วเราจะเข้าใจสัมมาส ม, มาทิฏิอย่างไรถึงจะถูกต้องอันนี้เราได้ขยายไปหลายรอบแล้วใช่ไหมคุณวิชัยก็จําได้ใช่ไหมนั่นนี่ที่ว่าเป็นส ม, มาทิฏฐินั้นท่านท่านให้เข้าใจท่านให้เห็นอย่างไรถึงจะว่าเป็นส ม, มาทิฏฐิฟังบ่อยจะจําไม่ไดท้ท่านให้เห็นว่าท่านเห็นว่าอย่างไรร่างกายนี้ เป็นที่ตั้งของสุขหรือของทุกข์อ่านี่ให้เห็นอย่างนี้รูปนามนี้เป็นที่ตั้งของทุกข์มีความสุขเหมือนกันบางครั้งจะบอกว่าเป็นที่ตั้งของทุกข์ได้อย่างไรแต่พวกอันนั้นทุกข์ความสุขคือความทุกข์ประเภทหนึ่งเป็นความทุกข์ที่อ่อนลงมาเราไปสมมติว่าเป็นความสุขสมมติว่าเรายกเนี่ยมันหนักเราว่าทุกข์ใช่ไพอผ่อนลงมา ให้เห็นว่ารูปทั้งหลายทั้งปวงเป็นที่ตั้งของทุกข์ทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นเองหรือว่ามันมีที่ไปที่มาแก้วน้ำอยู่ตรงนั้นถ้ามาไม่ยกมันมันจะหนักไหมแนะ่เพราะาการเข้าไปเกี่ยวข้องที่ไปที่มาคือเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับมันตรงนี้เขาเรียกว่าสมุทยัยให้รู้ที่ไปที่มาของทุกข์ว่าทุกข์มันเกิดจากไห น, นเราเข้าไปเกี่ยวข้องมันถึงจะ รู้สึกว่าหนักแต่เรามาเกี่ยวข้องมันเราก็ไม่รู้สึกว่าแก้วน้ำไม่หนักแต่การเข้าไปเกี่ยวข้องเรารู้สึกว่าหนักทันทีนี่คือที่ไปที่มาของคาว่าหนักเพราะเราเข้าไปสัมผัสไปเกี่ยวข้องกับมันเมื่อก่อนเราไม่เคยมีสามีภรรยาเราเคยไปทุกข์กับสามีภรรยาไหมไม่มีแต่พอเข้าไปเกี่ยวข้องในฐานะสามีภรรยาความสุขความทุกข์ในฐานะสามีจึงเกิดขึ้นเพราะการเข้าไปเกี่ยวข้องอ่าที่เกี่ยวข้องอย่างไรที่จะทําให้เกิดทุกข์และไม่ทุกข์อ่าตรงนี้มีทางออกแล้ว <laughs> to aware to a w a k e be aware be awake be mindful be alert อันนั้นเป็ น, น, นต้นเหตุของมันเพราะฉะนั้นจะต้องรู้ก่อนว่าถ้าเราไม่เกี่ยวข้องมันสบายหรือไม่สบายรู้สึกปกติใช่ไหมความสบายไม่สบา ย, ไ ม, บายไม่มีมาก่อนอันนี้ก็ไม่ทุก ความรู้สึกก็ไม่รู้สึกว่าหนักมันทุกข์โดยไม่มีโดยธรรมชาติของมันลักษณะนี้เลยว่านิโรธมันไม่มีทุกข์มาก่อนทุกสมูทัยนิโรธใช่ไหมแก้วน้ําเนี่ยมันก็จะไม่มีรู้สึกว่าหนักเพราะเราไม่เกี่ยวข้องแต่ถ้าจําเป็นต้องเกี่ยวข้องแหละเพราะฉันต้องดื่มน้ําเนี่ยฉันต้องยกอะ่ะถ้าจะเป็นต้องหนักการที่หยิบขึ้นมาแล้ว ดื่มเสร็จแล้วแล้วก็ถือเอาไว้ถูกต้องไหมทำไงต้องวางอันนี้ถูกต้องแล้วใช่ไหมอ่านี้คือเป็นมักต้องทำให้มันถูกต้องต้องทำแล้วมาใช้แล้วต้องวางเรามีสามีภรรยาถ้าเราถูกต้องอยู่ด้วยกันอย่าถูกต้องมีความทุกข์ไหมอยู่ด้วยกันถูกต้อง คือหมายความว่าอย่ายึดซึ่งกันและกันพร้อมที่จะปล่อยวางใช้แล้วก็ปล่อยใช้แล้วก็วาง <c oughs> คุณใช้แล้วไม่ปล่อยไม่วางมันถึงทุกข์ยังไงมีลูกก็เป็นทุกข์เพราะลูกมีสามีก็ทุกข์เพราะัคุณไม่ปล่อยไม่วางถ้าคุณปล่อยวางคุณก็ไม่ทุกข์ <c oughs> น, น, นั <c oughs> น่ <c oughs> น <c oughs> นะเห่ะเ <c oughs> พราะคุณยังไม่ได้ปฏิบัต นี่ไปสู่มัจคุณต้องปฏิบัติถึงจะความดับปล่อยวางนิโรธมันถึงเกิดจึงมาสู่ภา้ปฏิบัติคือเรียกว่ามัจนะศึกษาวิธีการปล่อยวางถ้าปล่อยวางได้มันเป็นนิโรธใช่ไหมเห็นลักษณะสี่อย่างนี้ท่านบอกว่านี่คือสัมมาทิฐินี่สำหรับคนไม่ศึกษาตงนี่มันจะมันจะรู้เรื่องไหมนี่เห็นไมมันต้องมีศรัทธาอ่า แล้วก็เราก็ฟังเรื่องนี้มาจนตลอดชีวิตของเราเนี่ยต้องมีศรัทธามีความเพียรแล้วเราเคยเคยเก็ตมันต้องไหมไม่เก็ตเพราะศรัทธาของเรามันไม่เป็นศรัทธาที่ถูกต้องมันเป็นศรัทธาเรื่องอื่นศรัทธาหลวงพี่หลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาศรัทธาเจ้าแม่เจ้าพ่อศรัทธาลูกศรัทธาเหรียญศรัทธาพิธีกรรมอะไรต่างๆที่มันมันถูกกิเลสเราเนี่ยมาเราไปศรัทธานั้นแต่ไม่ได้ศรัทธาที่จะมาศึกษาเรื่องการปล่อยวาง การฝึกฝนให้เกิดการปล่อยวางให้ถูกต้องเราอยู่กับภรรยาก็มีความสุขเราอยู่กับสามีก็มีความสุขเรามีลูกก็มีความสุขอยู่อ่เพราะอะไรเพราะอยู่ด้วยการไม่ยึดมั่นถือมัน่นแต่อยู่ด้วยการด้วยความรู้ด้วยสติปัญญาด้วยสติปัญญาลักษณะนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิแล้วก็สัมมาสัมกับปะก็เกิดตามมา เมื่อเห็นถูกต้องมันก็คิดถูกต้องมันก็พิจารณาใช้อย่างถูกต้องกรรมมากรรมตาพูดกันอย่างในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่ไม่ต้องไม่พูดจะทะเลาะกันไหมเป็นสัมมาวาจาเกิดขึ้นใช่ไหมแล้วก็ประกอบธรรมาหาหกินด้วยกันอย่างเข้าเข้าใจกันสมาชีวะปัญหาก็ไม่เกิดสัมมาวายะมาพยายามในการระมัดระวังในสิ่งที่ผิดพลาดอย่าให้เกิดสองเมื่อผิดพลาดแล้วต้องรู้จักขอเ ข, อขอมาขออภัยขอโทษกัน รู้จักให้อาภัยกันคือละในสิ่งนั้นแล้วก็พยายามพ่อพูนในสิ่งที่จะทำให้เกิดความเข้าใจกันด้ถูกต้องเสมอเป็นความพยายามถูกต้องแล้วก็รักษาสัญญาไว้ว่าฉันจะไม่นอกใจเธอและเธอจะไม่นอกใจฉันรักษาสัญญาไว้ให้ดีมันก็จะไม่มีปัญหาใช่ไหมอันนี้เ็าเรียกว่าสมาวายามะ <c oughs> แต่ว่ า, าพาะปฏิบัติต้องใช้สมาสติและสมาสมาธิถึงสมาธิทิฏฐิมันจึงจะเป็นไ ป, น ป, นปนตามนั้น ดานภาพปฏิบัติเราจึงมาเจริญตัวสติตัวสมาธิแต่เจริญตัวปัญญารวมแล้วต้องมาฝึกตัวนี้เท่านั้นแล้วตัวสมาธิิมันก็จะทํางานของมาเองเมื่อสมาธิทํางานแล้วตัวทุกข์ตัวปล่อยวางาตัวปล่อยวางตัวหมดทุกมันก็มีมาเองคือเป็นนิโรดนั้นเข้าใจถูกต้องเข้าใจในทุกสมุทัยนิโรดมากเราเรียกธรรมชุดนี้ว่าอะไรอริยสัจสี พุทธิยถาดว่าอ๋อตรงนี้เรียกว่าพุทธิยาตรัสรู้อริสสีก็คือเข้าใจอย่างเนี้ยเราจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องไม่ยากที่พูดมาทั้งหมดสื่อความหมายได้ใช่ไหมเข้าใจได้แต่การที่จะมาเข้าใจความหมายเราต้องมีศรัทธามาระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมและมีความเพียรกับการกระทํามาระดับหนึ่งแล้วถึงเข้าใจได้ง่ายดังนั้นเบื้องต้นเราจึงัขาดศรัทธาและความเพียรไม่ได้ นะถ้าเราไม่มีศรัทธาเขาจะมานั่งฟังอย่างนี้ครับไม่มีความเพียรไม่ทำมาก่อนก็จะไม่เข้าใจอย่างนี้เหมือนกันไม่รู้ท่านพูดเรื่องอะไรแต่เดี๋ยวนี้เราฟังแล้วเราเข้าใจใช่ไหมเพราะเราได้ทํามาระดับหนึ่งแล้วเราก็สามารถเข้าใจนั้นได้นั้นเรียกว่ามัคในเบื้องต้นการเข้าถึงมัคต้องมีศรัทธาและความเพียรเรียกว่ามัคศรัทนธะาเพื่ออะไรศรัทธาเกิดจากอะไรอันนี้จะรายละเอยียดอันหนึ่งนะ ดังนั้นในภาคปฏิบัติวันนี้ที่อยากจะแนะก็คือให้ไปทำสัมมาสติและสมาสมาธิสติที่ถูกต้องและตั้งใจที่ถูกต้องอสัมมาสติหมายถึงว่าที่เราสึนามามเมื่อกี้ต้องดูอะไรเป็นหลักดูสี่อย่างใช่ั้ยดูอะไรบ้างกายเวทน า, ทนาจิตและอารมณ์ ถ้าพวกเราทำเนี่ยมันเป็นเรื่องกว้างพูดถึงเรื่อว่าอารมณ์เนี่ยมันใกล้ตัวกว่าใช่ไหมคาว่าทำอารมณ์มนะให้ไปดูสิ่งนี้แต่ถ้ามันคิดออกจากสิ่งนี้ไปนั่นหมายความว่าไงเราออกจากมรรคล้วสมุทัยก็จะเกิดคือทุกข์ก็จะเกิดพอเราออกจากมรรคคือเราออกจากกายเวทนาจิตธรรม ท, ทีนี้ดูอย่างไรนี่รายละเอียดต้องไปทําดูอย่างไรก็ว่ากันมาหลายวันและวิธีการดูนะดูกายก่อน การหนักแล้วใช่บำบัดเวทนาให้มันเบาบางแล้วก็จิตถ้าเวทนาบาบางจิตมันก็จะไม่ปรุงแต่งมันจะรับรู้เฉยๆถ้าเวทนาหนักขมมันก็จะปรุงแต่งถ้ามันไม่สบายจิตมันก็ปรุงแต่งถ้าสบายเกินไปจิตมันก็ปรุงแต่งก็เกี่ยวข้องด้วยความสุดตง่งไม่สุดตรงตรงนั้นด้วยแล้วก็อารมณ์ดีหรือไม่ดีขณะทำเนี่ยถ้าทําด้วยอารมณ์ไม่ดีก็แสดงว่าไปเรียบเรียนดูหมาว่ากายเวทนาจิตถูกไหม ถ้าอารมณ์ดีก็หมาเข้ามว่าเราทําการเวทนาจิตถูกตอ้องละทบทวนอขณะที่ทําเนี่ยแล้สบายหรือไม่สบายถ้ามันไม่สบายเสดงว่าทำการเวทนาจิตไม่ถูกถ้ามันสบายก็เลืองทาการเวทนาจิตได้ถูกก็ต้อปรับปรนอยู่แค่นี้ตอนนั้นถึงบอกว่าเดินอย่างไรให้พอดีไม่หนักไม่เบื่อก็ต้องไปทําความเข้าใจเรื่องสมาสติ นั่งอย่างไรเดินอย่างไรทําอย่างไรถึงจะไม่เบื่อไม่เซ็งไม่ง่วงไม่เหงาก็ต้องมาทบทวนเรื่องการดูกาด้วยทนาดูจิตด้วยการดูแล้วแก้ไขดูแล้วแก้ไขดูแล้วก็ปรับดูแล้วก็แก้การปรับแก้ปรับแก้เราเรียกว่ามักไปทํามักให้ถูกเป็นสัมมากรมมันตัดทำถูกต้องแล้วอความทุกข์ความไม่สบายกายไม่สบใจก็จะหายไปโดยอัตโนมัติของมันเองเข้าใจนะ นะชาวนี้เอาท่านี้เผื่อว่าฐานอาหารเสร็จก็เริ่มทีเดียวเริ่มไปหาความสบายนะไม่จะไปหาความทุกข์นะคิดว่าเราจะไปหาความสบายทำงานให้กายสบายใจสบายโอ้ฉันนอนดีกว่าสบายดีอันนี้ไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้หาแนละมันเป็นไปเองงนนะไปหาต้องหาความสบายทั้งๆ ท, ท, ที่มีการกระทําอยู่หาความสบายในการทำไม่ยากเลยนะก็ขออนุทนาสาธุในความตั้งใจที่เราจะ เพียนพยายามทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นแก่ตัวเองแล้วมันผลของมันก็จะไม่้เราสบายกายสบายใจตลอดไปด้วยกันทุกคนทุกท่านคือ